ก็เกลือกูลแก่ชีวิตทั้งหมดเรื่องนี้พึงเห็นบทเรียนจากการสร้างความเจริญด้านกายภาพมนุษย์มุ่งหวังความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุเข้าใจว่าความมีวัตถุพรั่งพร้อมสะดวกบริบูรณ์จะนํามาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่สังคมมนุษย์จึงได้เพียรพยายามสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุมากมายพร้อมกับทํำลายชีวิตและสภาพชีวิตต่างๆที่เห็นว่า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 การพิจารณาด้วยหลักทั้งสามคือหนึ่งใช้มโนธรรมสองให้ถือมติของผู้รู้และสามพิจารณาผลของการกระทำนี้ถือได้ว่าเป็นวิธีการตรวจสอบหลายๆชั้นเพื่อให้การวินิจฉัยเป็นไปอย่างรอบครอบโดยสรุปเกณฑ์วินิจฉัยกรรมดีและกรรมชั่วมีว่าในแง่ของกรรมใหถือเอาเจตนาเป็นหลักตัดสินว่า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 และสมรรถภาพของจิตช่วยให้กุศลธรรมอันเป็นสภาพเกื้อกูลทั้งหลายจเจริญงอกงามขึ้นอากุศลธรรมทั้งหลายลดน้อยลงหรือทำให้กุศลธรรมลดน้อยลงอากุศลธรรมจเจริญงอกงามขึ้นตลอดจนมีผลต่อบุคลิกภาพอย่างไรสามข้อหลังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ร่วมคือสองใช้มโนธรรมคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเองพิจารณาว่า การที่กระทำนั้นตนเองติเตียนตนเองได้หรือไม่เสียความคารบตนหรือไม่ข้อสามพิจารณาความยอมรับของวินยูหรือนักปราดหรือบัณฑิตชนว่าเป็นสิ่งที่วินยูยอมรับหรือไม่ชื่นชมสรรเสริญหรือตำหนิติเตียนข้อสพิจารณาลักษณะและผลของการกระทำ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 การตีเตียนหรือสรรเสริญของวินยูนั้นเมื่อมองอย่างกว้างๆหรือมองในระดับสถาบันและเมื่อว่าโดยส่วนใหญ่มติของวินยูหรือปราดจะปรากฏอยู่ในรูปของบัญญัติทางศาสนาบ้างขนบธรรมเนียมประเพณีบ้างกฎหมายบ้างเป็นต้นแม้ว่าบทบัญญัติและสิ่งที่ถือตางกันมาเหล่านี้ไม่จำต้องเป็นมติของวินยูเสมอไป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 แปลว่าวินยูใคร่ครวนแล้วจึงติเตียนหรือสรนเสริญคือยอมรับหรือไม่ยอมรับและจะเห็นว่าวินยูนี่แหละเมื่อใคร่ครวนแล้วก็ได้เป็นผู้ทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติบับญญัติกันมาผิดหรือเคลื่อนคล้าจากความหมายที่ถูกต้องเช่นพระพุทธเจ้าทรงติเตียนไม่ยอมรับระบบวันณนะและการบูชายันเป็นต้น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 คือเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่ทําผู้อื่นให้เดือดร้อนหรือไม่เป็นไปเพื่อทําลายหรืออํานวยประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นและแก่ส่วนรวมสรุปหลักเกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วข้อสว่าโดยมโนธรรมหรือโดยสํานึกอันมีตามธรรมชาติของความเป็นมนุษย์คือพิจารณาเห็นด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเองว่าการนั้น